เพราะเราไปเจอกิเลสของคนเนี่ยมันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเรายิ้มแค่ครั้งเดียวนะแล้วเขาบึง้งเพราะว่าหลังเจอเนี่ยยิ้มให้ครั้งที่สองเออเขายิ้มกลับแล้วอา้าวบางคนเนี่ยมันมันบางมันไม่หนานักใช่ไหมครั้งสองครั้งก็ใช้ได้ได้ผลแต่บางคนเนี่ยโอ้โหยังมาตอยค <laughs> <Conc rete. laughs> อนกรีตเพราะฉะนั้น โอ้ยิ้มให้ครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามแล้วครั้งที่สี่แล้วบางทียังไม่ค่อยจะยอมเปลี่ยนแปลงเลยเพราะนั้นเนี่ยมันแค่นั้นไม่ได้มันก็ต้องยิ้มให้อีกยิ้มให้อีกยิ้มให้อีกไม่รู้ละจะถึงวันไหนก็แล้วแต่จนกว่าคนนั้นเนี่ยจะยอมแพ้ความดีของเราให้ได้นะเพราะฉนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญเพราะความอดทนเนี่ยอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสการที่เราจะ รักษาอ อ, อะไรอะ่ะรักษาตนหรือรักษาคนอื่นเนี่ยจะต้องมีความอดทนอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความอดทนอันนี้อาตมาบอกได้เลยคุณจะเป็นคนที่อะไรอะ่ะมีเพื่อนฝูงหรือว่ามีมิตรสหายเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีน้อยคนที่ไม่ค่อยอดทนเนี่ยนะเพราะไปทํางานกับใครไปเจอเจอใครอะไรรับรองคุณต้องเจออะไรที่ ต่างจริตเราเอาทิศิก็บางทีไม่เหมือนเราเจอแน่นอนขนาดบางคนนี่นะเราเรายังนึกว่าเอาเอคนนี้เข้ากับเราได้ดีนะบางครั้งนะรู้สึกว่าเออพูดอะไรคุยอะไรเออรสทียมคล้ายๆกนันเหมือนๆกันแต่คุณเชื่อไหมเดี๋ยวสักวันหนึ่งเถอมันต้องมีจนได้แหละไอท้ที่ไม่เหมือนกันจนได้อะ่ะขัดแย้งกันแล้วถ้าคุณไม่ทันระวังนะคุณไม่ทันตั้งตัวนะบางทีเนี่ย แค่เรื่องเรื่องเดียวเนี่ยทําให้แตกกันเลยนะเรียกว่าเลิกเลยไอคนที่เลิกครบเลยแค่เรื่องเดียวอะ่ะถ้าไม่ระวังจิตไม่ระวังใจเราให้ดีมีมาแล้วอาตมาเป็นกับตัวเองมาแล้วเคยเจอมาแล้วเพราะสมัยก่อนในเวลาคบเพื่อนอะไรกับใครเนี่ยเรามักจะตั้งใจเอาไว้ว่าเออถ้าเราครบกับใครเนี่ยต้องจริงใจนะต้องบริสุทธิ์ใจเราก็ต้องหวังดีกับเขาจริงๆ จ, จ, จะไม่ไป เครืยดแฝงจะไม่ไปแอบแฝงจะไม่ไปอะไรที่ไม่ซื่ออะไรด้วยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งจิตอันนี้จริงๆมันดีแล้วแต่ตั้งจิตอย่างนี้แล้วบางทีเนี่ยเราไม่มีความอดทนพอปรากฏว่าคบเพื่อนไปคบเพื่อนไปสักวันหนึ่งเนี่ยมันทำอะไรที่เหมือนกับโอ้โหเหมือนกับหักหลังเราอะ่ะเหมือนกับโกหกเราเงี้ยแล้วเรามาจับได้เงี้ยเราโหรู้สึกเจ็บปวด เพราะเราคิดอยู่ว่าถ้าเราพูดกับมันเราจะพูดแต่คำจริงเออเราจะพูดกับคำตรงเพราะเราจะซื่อสาตยะแต่พอบางวันเราไปเจอปั๊บอ้าวมันเกิดโกหกเราเงี้ยมันเกิดไม่ซื่อขึ้นมาทันทีเลยนะไอจิตที่คุณตั้งอันนี้ไว้มันไม่ยอมเลยแล้วมันก็จะไม่อดทนเลยเพราะว่ามันรู้สึกเจ็บใจมันรู้สึกแค้นใจมากจากมิรนี่นะแค้นนะโอ้โหแทบเป็นศัตรูเลย แทบไม่มองหน้าแทบไม่คุยแทบไม่อยากเจอเลยอันนี้เพราะจิตที่เราไปตั้งไว้ทั้งๆ ท, ที่จริงๆเราตั้งไว้ดีแต่เราเนี่ยไม่ได้เผื่อใจให้คนอื่นเขาเลยว่าเอา้าคนเราบางทีมันก็มีอะทำอะไรที่ปิดพลาดทำอะไรที่ไม่เป็นไปดั่งใจเรามันเกิดขึ้นได้แน่นอนแม้แต่ตัวเราเองใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ตัวที่ซ้านะเราพูดอะไรไปหรือเราทาอะไรไปเนี่ยโอ้โห บางคนเขาไปนอนสมไปหน้าเหี่ยวอยู่ตั้งหลายวันเนี่ยบางทีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมันพลาดพั้งไปอย่างเงี้ยมีแล้วเขาก็โกรธเกลียดเรานะเราไม่รู้ตัวเลยนะบางทียังงงงเอ๊ะเจอหน้าไอ้คนนี้ทําไมมันมันหลบหล บ, หลบเลี่ยงเลี่ยงมันทําไมไม่ยอมเจอเราบางทีเรายังไม่รู้เรื่องเลยจนบางทีเนะี่ยโอ้โหนานนะกว่าจะถึงรู้เรื่องรู้ราวว่าอ๋ออ๋อวันนั้นเราไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เหรอ แล้วก็เลยโกรธเราเลยแต่บางทีเขาไม่จะมาพูดกับเราหรือเขาไม่จะมาด่าว่าเราอะแต่เขากโกรธเกลียดแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกับเราเลยก็กลายเป็นชังกันไปนเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้บางทีมันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาตมาเอาเรื่องนี้มาให้พวกเราฟังเนี่ยเพื่อให้พวกเราเข้าใจถึงการที่เรานะจะดูแลรักษาตัวเราเอง แล้วเราก็จะอยู่กับหมู่กลุ่มเนี่ยเมื่ออยู่กับหมู่กลุ่มมันต้องดูแลรักษาคนอื่นเขาด้วยเพราะการดูแลรักษาคนอื่นเขาด้วยเนี่ยขอให้เอาคำที่เราอาจจะได้ยินอยู่เรื่อยๆว่าอะไรนะเอาใจเขามาใส่ใจเราภาษาพูดเนี่ยมันง่ายแต่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราภาษาพูดมันง่ายมากเลยแต่พอจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดอะไรกับใครทาอะไรกับใครเนี่ย มีแต่จะให้ให้ให้ยังไงให้อใหเอาใจเราจะใส่ใจเขาคือเองต้องรู้ว่าเขายัางไงบ้างแต่บางทีเราเนี่ยไม่ค่อยคิดหรอกว่าเขาเขาคิดยังไงบ้างหรือเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเออส่วนใหญ่มันจะเผลอตรงนี้แล้วก็สังเกตแม่บางครั้งเนี่ยเวลาเราทาดีกับใครเป็นยังไงเวลาทาดีกับใคร เรามักจะคิดยังไงเวลาทําดีกับใครเขาเนี่ยอต้องดีตอบเราโดยที่เรามักจะจดจําบุญคุณไว้นะถ้าเราทําดีกับใครนะอ่าไอ้คนนี้ไอ้คน น, ค น, นี้วันนี้อให้ส้มไปหนึ่งลูกให้ส้มไปกินหนึ่งลูกจําไว้เลยนะวันเนี้เนี่ยเราชอบจําวันนี้นะเวลาเราทําดีกับใคร เสร็จแล้วเวลาเราเนี่ยบางทีไปด่าใครเขาบ้างอนะ่ะบางครั้งนะเอไอไปตีใครเขาบั่งอไปทําให้เขาไม่ถูก อ, อกถูกใจอะไรบ้างเนะี่ยเป็นยังไงไม่ค่อยใส่ใจเลยอะ่ะไม่ค่อยจดจําด้วยทั้งทั้งที่บางทีรู้นะว่าเราพลาดไปแล้วนะแต่คุณเชื่อไหมาบางทีลุกขึ้นคุณก็ลืมละเมื่อเมืวานไปทําอะไรใครเขาบ้าง เออเขาโกรธเขาเกลียดยังไงบางทีลืมแล้วนะบางคนนะนะเพราะไอ้เรื่องพวกนี้เราไม่อยากจําเพราะทําไมไม่อยากจําเพราะไอเราไปทําผิดๆไว้นี่เราเป็นหนี้บุญคุณคนอื่นเขาใช่ไหมเราเลยไม่อยากจําเพราะบอกแล้วถ้าเราจําไว้เราจะต้องไงต้องใช้หนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกิเลสของคนเราทําให้เราไม่อยากจะจําแต่ เราชอบจำไปแล้วเราทำดีกับใครเมื่อวานนี้ให้ส้มเป็นหนึ่งลูกบอกแล้วชอบจำเพราะอะไรเพราะรอว่าเมื่ อ, อไหร่เองจะมาใช้นี่ค่ะสักทีนี่คืออำนาจของกิเลสมันจงจดจำไว้เลยว่าถ้าทำดีอะไรกับใครพยายามอย่าไปจำพยายามลืมๆได้อ่ะเป็นดีพยายามไว้เลยวันนี้อาตมาเนี่ยก็พูดให้มาสอนพระธรรมบนโบทเนี่ย ก็พูดยกคำเปรียบที่อาตมาเอาพระพุทธพจน์เอามาพูดให้พวกเราฟังบ่อยๆพระเจ้าท่านตรัสว่าเวลาทำดีเนี่ยให้เหมือนนกบินไปในอากาศแล้วก็ไม่ทิ้งรอยเท้าเอาไว้ในอากาศเพราะฉะนั้นคนทำดีจริงเนี่ยทำดีอะไรให้กับใครแล้วอย่าหวังผลตอบแทนเวลาพูดเป็นภาษาเป็นความรู้รู้ แต่พอเวลาจริงๆเผลอใจทุกทีเลยเผลอใจทุกทีเลยเหมือนอย่างที่บอกอะ่ะเวลายิ้มให้เขาเนี่ยมันอัตโนมัติเลยนะยิ้มให้เขาเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันมันมันบอกล่วงหน้าเลยแล้วบอกทันทีเลยยิ้มให้เขาเขากวรยิ้มตอบเขากวรยิ้ยมตอบมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยเพรา ะ, ะั้นคุณอย่าเผลอใจคอยมีสติเอา้ายิ้มให้เขาเขาไมยิ้มตอบไม่เป็นไร เราไม่หวังแม้รอยยิ้มจากเขาเออยิ้มให้ฟรีฟรีไม่คิดค่าตอบแทนเออไม่ต้องยิ้มตอบก็ได้ยิ้มให้ฟรีฟรีเราถือว่าเรายิ้มสวยอยู่แล้วนะยิ้มให้เอา้าใช่ไหมเนี่ยถามีสติคอยเตือนอย่างเงี้ยคุณดูสิถ้าคุณคอยระวังตัวไว้อย่างนี้นะมีสติเออยิ้มแจกเข้าไปยิ้มแจกเข้าไปแต่ระวังนะ ไม่ใช่เขากดกวธอยู่ก็ยิ้มให้นะไอ้เขากรกวธอยู่เขาโมโหอยู่ยิ้มให้เขาเดี๋ยวเหอะเขาจะแจกแว่นแว่นตาดำให้ใส่นะระวังเ อ, อว่ามันก็ต้องดูกาละเทสะด้วยแต่ถ้าโดยปกติเนี่ยเออเราก็แจกยิ้มให้นะยิ้มอย่างดีๆเนี่ยไม่ใช่ยิ้มกวนๆนะไม่ใช่ยิ้มยัว่วยวนอะไรแบบกิเลสอะไรงั้นไม่ใช่ยิ้มด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ย นะมันก็เป็นความเบิกบานใจเป็นความสดชื่นแจ่มใสโลกเนี้ยมีรอยยิ้มมันก็ทาให้ดูดีนะดีกว่าไงดีกับปากเหี่ยวเียวเขาจะเรียกอะไรอะไอไ อ, ไ อ, ไอปากตกอะมุมปากมันตกตกอะเศร้ามัง่งหรือแมมมมุมปากเนี้ยนะโกรธมัง่งอะไรมัง่งอะไรเนี้ยอ้าววันยิ้มมันก็ต้องดีกว่าแน่นอน ถ้าเรายิ้มได้แล้วเรากา็แจกความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นได้ทำเพียงแต่บอกแล้วว่าให้ระวังให้มากเท่านั้นเองตรงที่อย่าเผลอใจนะอย่าห่างใจเรานะตรงที่พอเราทําดีให้กับใครแล้วทุกทีเลยเราก็ทํางานทันทีเลยกิเลสเก่าของเราเนี่ยโอ้เชื้อนี้มันแรงนะเชื้อนี้มันมากเหลือเกินพราะพอเราทําดีไปปับ๊บ ทันทียิ่งเท่านี้โดยเฉพาะคนที่คุณไม่รู้จักเนี่ยคุณไม่สนิทสนมไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่เลยเพราะเรามักไม่ไม่ไปหวังอะไรกับคนที่เราไม่รู้จักสักเท่าไหร่แต่พอคนที่เราเริ่มคุ้นคุ้นคนที่เราเริ่มสนิทคนที่เราเริ่มรู้จักมักจะเผอเลยมักจะเผอแล้วเริ่มหวังละหวังว่าเออเขาควรอย่างนั้นสิเขาควรอย่า ง, งนางงี้สิ เราก็อุตส่าห์ช่วยเขาแล้วเขาก็น่าจะช่วยเราสิทันทีเพราะคนส่วนใหญ่ที่ทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะนี่แหละชอบไปหวังไอ้นน์หวังไอ้นี่โดยเฉพาะหวังว่าเขาน่าจะตอบแทนเรากลับคืนมาอย่างนั้นอย่างงี้เสร็จแล้วก็ต้องมาทุกข์ต้องมาผิดหวังเพราะในโลกนี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่ใครจะเจอแต่สิ่งที่สมหวังใครจะเจอแต่สิ่งที่เป็นไปดั่งใจเราไม่มี ต่อให้เป็นผู้พระเจ้าก็ตามนะผู้เจ้าก็ไม่สามารถจะเจอสิ่งสมหวังสิ่งถูกใจได้ตลอดไม่มีทางเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเจอสิ่งที่ผิดหวังลูกศิษย์อพระเทวทัตบ้างอะไรบ้างโอ้โหบางทีเลวร้วายมากๆเลยถ้าท่านเกิดไปหวังนะว่าลูกศิษย์อจะต้องดีอย่างนั้นจะต้องดีอย่างนี้โอ้โหไปเจอลูกศิษย์แบบพระเทวทัตผิดหวังเสียใจตายเลย แต่เนี่ยนะท่านจะบวชคนขึ้นมาท่านจะสอนคนขึ้นมาถ้าไม่ได้ไปหวังเนี่ยว่าจะต้องมาอะไรอะทำดีตอบแทนอย่างนั้นอย่างงี้ไม่ถ้าเขาทำดีก็ดีของเขาก็ดีแล้วก็ถูกต้องอ่ส่วนครนี้เรื่องของสิ่งไม่ดีจริงๆแล้วน่าจดจำไม่น่าไปแก้งลืมหรือไม่น่าไปลืมง่าย เราทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยบกพร่องไปให้รู้ว่าความจริงใช่เลยเราเป็นหนี้เราเป็นหนี้เขาแล้วเราพลาดไปจริงนะเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะลืมสิ่งนี้สมมุตินะถ้าอยากจะลืมสิ่งนี้ก็คือหาทางใช้หนี้ซะใบวัใช้หนี้ไปได้แล้วจะได้จบกันเพราะจบแล้วเนี่ยมันจะลืมจริงจะลืมได้จริงเพราะมัหมดหนี้แนละ้ แต่ถ้าคุณติดหนี้ใครแล้วคุณรู้ว่าคุณยังไม่ใช้หนี้เขาอยู่เนี่ยมันไม่ลืมจริงหรอกนะคุณคุณจะแกล้งลืมยังไงมันก็ไม่ลืมหรอกบางทีเราเคยด่าใครเขาไว้เจ็บด่าใครใครเขาไว้แสบแสบเรารู้ว่าเขาโกรธเกลียดชังเราเนี่ยคุณนึกหรือว่าคุณจะลืมง่ายๆไม่ลืมหรอกแล้วคุณก็ยังบางทีก็ยังต้องคิดคอยระวังด้วยซ้าไปไม่รู้มันจะมาเอาคืนเมื่อไหร่ โดยลึกๆนี่นะเราจะรู้อยู่ว่าคนนี้เกลียดเราคนนี้ไม่ชอบเราเราจะรู้อยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ให้ให้ไปจําแล้วเป็นทุกข์นะแต่ให้เรารู้ว่าอันเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ลืมหรอกนะแล้วก็อย่าไปเสียเวลาแกล้งลืมให้รู้เลยว่าจําได้แล้วก็หาทางทําบุญทํากุศลเนี่ยให้มากพออยู่เหมือนกันจนกระทั่งสามารถที่จะบรรเทา ไอ้หนี้เวรหนี้กรรมพวกเนี้ยของเราไปได้นี่เป็นวิธีแก้หรือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้พอเวลาเจ้าหนี้เข้ามาทวงจากเราคุณจะไม่หนักนักเพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณสั่งสมบุญกุศลเอาไว้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องโดนทวงหนี้แต่พระเจ้าเนี่ยท่านสังสมบุญกุศลไว้มากใช่ไหโดยเฉพาะท่านรู้สัจธรรม ท่านรู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าเมื่อเวลาเจ้านี่มาทวงนี่ท่านก็ต้องใช้คืนท่านนี่นั้นเป็นนี่เลือดสมมุตินะต้องถึงขั้นท่านต้องเลือดตกยางออกอะไรอย่างนี้ท่านก็รู้ว่าเออท่านก็ต้องใช้ไปตามกรรมนั้นท่านก็ต้องเจ็บท่านก็ต้องปวดท่านก็ต้องทรมานเพียงแต่ท่านไม่ทุกข์ไม่ทุกข์นี่คือไม่ทุกข์แบบอริยสัจนะแต่ทุกข์โดยธรรมชาติ อ่าโดยพระเทวทัตกิ่งหินลงมาทําให้เท้าห้อเลือดโอ้โหเป็นพิษระบมนะครับหมอชีวะกะต้องมาพาเอาเลือดเสียออกให้พระเจ้าก็ต้อง ท, ท, ทุกข์ทรมานแต่ทุกแบบนี้เป็นธรรมชาติใครๆก็ต้องทุกข์ทั้งนั้นพระเจ้าก็ต้องทุกข์เพรา ะ, ะนั้นทุกแบบอริยศาสตร์เนี่ยคือทุกข์เพราะกิเลสเข้าใจทุกข์เพราะกิเลสอย่างเช่น โอ้โหพระเทวทัตกินหินลงมาทับเท้า ท, ทําให้เท้าเจ็บปวดทรมานห่อเลือดก็เลยไม่ชอบใจพระเทวทัตสมมุตินะถ้าอย่างเนี้ยเป็นทุกข์อริยสัตว์ทุกข์เพราะกิเลส ท, ที่อึดอัดไม่ชอบใจอืแต่ท่านนี้ผู้เจ้าท่านไม่มีกิเลสอยู่แล้วอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านไม่ทุกข์นี่ท่านก็ไม่โกรธไม่ได้เกลียดพระเทวทัตอะไรแต่ท่านรู้ว่าพระเทวทัตทําชั่วแล้วทําไม่ดีแล้ว แต่ท่านไม่ได้โกรธไม่ได้ชังเออช่วยเหลืออะไรได้ท่านยังจะช่วยเหลือด้วยนะอ่าแต่ว่าถ้าทําไม่ดีบางทีต้องลงโทษท่านกบลงโทษแต่ถ้าไม่มีตัวที่ไปผูกเวรหรือว่าไปผูกโกรธอะไรด้วยท่านไม่มีเพราะเนี่ยลักษณะเดียวกันตอนนี้พวกเราเองเนี่ยยิ่งเราไม่เก่งด้วยโอ้โหกิเลสเราก็ยังไม่ได้ลดมากมายอะไรจนเกินไปนักบางครั้ง บอกแล้วไอ้เรื่องพวกเนี้ยบางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่เราก็จําได้อยู่ยิ่งเรารู้ตัวตนบุคคลว่าคนเนี่ไม่ชอบเราเพราะเลิกเราเคยทําอย่างอย่างนี้อันมาถึงบอกแทนที่จะหนีแทนที่จะหลบแทนที่จะอะไรเนี่ยอย่าไปหนีอย่าไปหลบคุณนี้คุณหลบยังไงคุณก็ไม่พ้นหรอกเขาต้องมาทวงหนี้จนได้แล้วเพราะเรายังมีชีวิตอยู่โอกาสเราก็มีอยู่ด้วยรีบสิเขาเรียกว่ารีบทําคืน รีบแก้คืนเท่าที่เราจะทําได้เอาบางทีเนี่ยคนนั้นเขาโกรธเราบางครั้งเราก็อ่นานะบางทีเจอหน้าเขาก็ยิ้มให้เขาหน่อยก็ได้เออเผื่อเผื่อจะคลายความรู้สึกที่เขาไม่ชอบใจเราลงบ้างอ่าหรือบางทีมีอะไรเนี่ยมีของกินหรือว่ามีของใช้อะไรที่บางทีพอแบ่งปันได้เราทําไม่รู้ไม่ชี้แกงทําไม่รู้ไม่ชี้ อก็เอาแบ่งแบ่งแ บ, ง แ, บ, ง แ, บงแบ่งให้เขาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอา้าวถึงบอกว่าต้องทําอย่างเงี้ยทําไปให้มากพอจนกระทั่งชนะใจเขาคนนั้นจนได้เลยจนเขาเนี่ยเลิกโกรธเลิกเกียรติชังเราหรือบางทีมีโอกาสก็อ่านะทําเป็นปฏิสันฐานยิ้มให้แล้วก็คุยด้วยก็คุยเรื่องนอนคุยเรื่องนั่นคุยเรื่องนี้ทำเป็นเหมือนเราจําอะไรไม่ได้นะ <laughs> แต่แล้วก็คุยดีๆกับเขาคุยให้สบายใจคุยให้อะไรเงี้ยอืมจนกระทั่งบางทีเขานึกว่าจริงว่าเออไอคนนั้นมันมันไม่รู้หรลยว่าเราโกรธมันอ่ะเออบางทีอ่ะก็ทําอย่างเงี้ยทํำจนกระทั่งโอ้โหเขายอมเลยนเนี่ยเนี่ยนี่คือการที่เอาความดีชนะความชั่วซึ่งบอกแล้วนะโอ้โหคุณต้องเข้มแข็งนะคุณต้องอดทน ส่วนใหญ่ที่ทําไม่สําเร็จเนี่ยเพราะว่าอัตตามานะของเรามันขึ้นเสียก่อนพอทไไอนะําทไปได้หน่อยเดียวนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่อวะทําไปได้หน่อยเดียวนะโอโหเสร็จแล้วยังไงอ่าอะไรนะอัตตามานะเราขึ้นนะกูไม่ง้อมึงแล้วเอา้ามันขึ้นมาเนี่ยมันก็ตัดเลยอะ่ะตัดทิ้งไปเลย จะโกรธจะเกกระช่างใช่มเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีตัวอดทนตรงนี้เพราะที่ส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะขาดตรงนี้แหละไม่ศรัทธาในความดีไม่เชื่อมั่นในความดีที่มากพอแล้วก็ไม่รู้สัจธรรมในเรื่องของวิบากกรรมมากพอยังยินดีพอใจที่คนนู้นเขาเกียดเราคนนู้นเขาแค้นเราคนนี้เขาไม่ชอบใจเรา นี่คุณยังไม่เข้าใจวิบากกรรมมากพอว่าเดี๋ยวคุณต้องใช้นี่ทั้งนั้นอะ่ะเพราะถ้าเราแก้ได้อะ่ะเราเราพยายามล้างจิตเขาได้นะล้างสมองเขาอะ่ะถ้าเราล้างสมองเขาได้โอเขาหายก่เกียดเราโอ้โหสบายเลยหมดเจ้านี่ไปอีกลายเพราะในอนาคตของคุณหรือในปัจจุบันก็ตามคุณมีแต่จะอยู่ได้อย่างผาสุกใช่ไหม เพราะไม่ต้องมีเจ้าหนี้หลายๆที่มาทวงคืนโอ้โหคนทุกข์มากเลยนะเวลาเจ้าหนี้มาหลายหลายหลายหลายพร้อมๆกันติดๆกันเนี่ยโอ้โหสับักสับอมเลยนะคุณบางทีเจ้าหนี้รายย่อยเนี่ยแหละแต่มันมาหลายลายพร้อมๆกันเนี่โอ้โหมันรวมมันรวมแล้วมันกลายเป็นลายใหญ่นะคุณเห็นไหมบางคนเนี่ยซวยตลอดวันเลยนะซวยตลอดวันนะตื่นเช้าขึ้นมาก็โอ้โหบางที ตื่นเช้าขึ้นมาเดินตกบันไดเอา้าเอา้าเสร็จอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวอะไรออกยา บ, บ้ามาเสร็จเดินตกท่ออีกเอา้าโอ้บางทีก็เอา้าจนไปถึงที่ทํางานทางานทาการขากับโหนรถเมยไม่ดีอีกกิ่งตกลงมาอะไรอะไรโอ้บางทีวิบากมันมานี่ยมันแม่มีเรื่องให้เราต้องทุกข์ต้องกุมใจเยอะแยะไปหมด บางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่โอ้โหมันมาติด ก, กันติด ก, กันติด ก, กันคุณโอ้โหบางทีมันเครียดเลยนะมันเครียดทั้งวันเลยอ่ะบางทีอ่ะจริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกฝนไว้ไงเราไม่ได้สร้างความอดทนพอใช่ไหมเพราะเราหนีอ่ะเราหนีปัญหาเราหนีไอ้เจ้าหนี้ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ฝึกพวกนี้ไว้เลย อ๋เจ้านี้ลายย่อยก็ตามพอมาทวงเราเนี่ยคุณไม่มีกําลังจะลายย่อยก็ตามแต่คุณมีทรัพย์น้อยอย่างเงี้ยสมมุติเปรียบเป็นเงินเขามาทวงคุณแค่10บบาทแต่คุณเป็นคนไม่ค่อยมีเงินเนี่ยคุณเป็นคนจนเนี่ยเพราะคุณไม่ได้สะสมมาคุณไม่ได้สะสมความอดทนมามากพอเพราะฉะนั้นความอดทนคุณสมมุติคุณมีแค่5บาท เขามาทวงคุณสิบบาทคุณก็จะแย่แล้วคเนตโอ้โหถ้าถ้าเขามาทวงสิบบาทนะเจ้าหนี้รายนี้ยเราติดหนี้เขาสิบาทแต่เรามีทุนอยู่แค่ห้าบาทคุณว่าอะไรจะเกิดขึ้นฮะอะไรจะเกิดขึ้นเพอเพ้อด่าสรงไปเลยอ่ะใช่ไหมเพราะคุณอดทนไม่ไหวหรอกมาทวงอยู่นั่นแล้วบอกแล้วไงยังไม่มี โอ้คุณจะอารมณ์เสียคุณจะอารมณ์บูดมากเลยแล้วคุณจะใส่เขากลับเลยแล้วคุณก็ติดหนี้เขาเพิ่มเขาไปอีกคุณใส่เขากลับนี่คุณหนี้เพิ่มไปอีกนะแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทวงอีกเนี่ยคนไม่รู้ตัวเนี่ยจะติดหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วบอกแล้วเราโกรธขึ้นมาเราด่าเขาเราทําร้ายเขาขึ้นมาเนี่ยคิดโดยแบบโลกโลกนะแบบมบางทีมันสะใจนะมันสมใจนะมันได้ระบายออกไปแล้ว นะนึกว่าตัวเองเออสบายขึ้นนะาได้อัดเข้าไปตุบตับตุบตับสบายขึ้นที่ไหนได้มันติดหนี้เพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเดี๋ยวเถอคราวนี้เขามาทวงเขามาทวนคุณหนักกว่าเดิมนะคราวนี้เขาไม่มาทวงเบาเหมือนเดิมนะเพราะหนี้มันเพิ่มขึ้นนะอ่ะอ่าไอตอนติดสิบบาทนี่เขามาทวงแค่สิบบาทเขายังคิดว่าถ้าไม่ได้ก็ก็ด่าให้ก็พอแล้วอ่า แต่คราวนี้มันไม่ใช่สิบาทแล้วถ้านี่คุณติดเป็นร้อยหรือว่าเป็นพันเนี่ยคนนี้เขาเตรียมมาเต็มที่เลยเขากล่าวว่าถ้าทวงพันหนึ่งนี่คุณไม่มีให้เขาตํารวจมาจับเอาคุณไปติดคุกแล้วคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณง่ายๆแล้วเพราะฉนั้นระวังอย่าให้ติดหนี้เพิ่มเพราะถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยพยายามนะจะเรื่องของราคะเรื่องของโทสะเรื่องของอัตตามานะก็ตาม บีสติให้ดีนาอย่าไปทำหนี้เพิ่มให้กับตัวเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยจะทำให้ตัวเราอย่างแรกคือหนี้ไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่สองหนี้ที่มีอยู่ก็ลดลงเพราะว่าเรารู้ตัวเนี่ยเราจะเพิ่มความอดทนจะเพิ่มความพยายามในการทำดีกับใครๆก็ตามเนี่ยให้มากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะคนที่เราเกลียดหรือคนที่เราไม่ชอบใจ เรายิ่งต้องเพิ่มความดีให้มากพอมากพอจนกระทั่งเขาเนี่ยบอกแล้วเขาเปลี่ยนใจได้เขาเปลี่ยนความแค้นเนี่ยเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรกับเราได้ถ้าคุณทำอย่างนี้ได้สาเร็จโอ้สบายเลยคุณปลดหนี้ได้เรียบร้อยแล้วนั้นแล้วอย่างเนี้ยเราก็จะเป็นคนที่ทำประโยชน์ตนก็ได้ด้วยเห็นหั้ยไม่ติดหนี้ใครได้บุญเพิ่มด้วยนะประโยชน์ตนเราได้ ประโยชน์ท่านแหะก็เราทําดีกับคนอื่นเขาว่าเจ้าหนี่ร้ลายไหนก็ตามเราก็เสียสละช่วยเหลือต่างๆนา น, นาเขาก็ได้สิ่งดีๆไปจากเราอ่ะก็เป็นประโยชน์ท่านเหอ้ไหมถ้าทําอย่างนี้ได้ตัวเราก็จะมีความสุขความจเจริญแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราก็จะมีความสุขความจเจริญด้วยนะอา้าวันนี้ของพอจะนี้